าการตั้งใจสำรวมใจของตนให้แน่วแน่ข่อใจนี้เป็นของฝึกยากถ้ามันฝึกใกล้มันก็ดีไปแล้วมันก็บริสุทธิ์ไปแล้ว นี่พระพุทธเจ้าทรงตรับว่าใจของคนเราเนี่ยมันฝึกยากดังนั้น เ, นเราจึงต้องเลยตั้งความเพียรลงถ้าไม่ภาคเพียรพยายามจริงๆนี่มันก็พ้นทุกข์ไปไม่ได้คนเรานั่น มันก็ขึ้นอยู่กับสติปัญญาถ้าไม่มีปัญญาแล้วก็เอาตัวรอดจากทุกข์ไม่ได้จริงๆแต่ที่ก่อนที่จะมีปัญญาได้มันก็ต้องอาศัยการฝึกทำความดีต่างๆไปหลายอย่าง ไม่ใช่ว่าไม่ต้องทาความดีอะไรมันก็เกิดปัญญาขึ้นเลยอย่างนี้ไม่ใช่ต้องทาความดีหลายอย่างฝึกกายให้ดีฝึกวาจาให้ดีนี่เพราะว่ากายกับวาจานี่ มันเป็นผู้รับใช้ของจิตดังนั้นนะเรจึงต้องพยายามฝึกกายให้ดีก็เท่ากับว่าฝึกใจนั่นเองเนี่ยการฝึกกล่าววาจาดีก็เหมือนกันเนี่ยจะเท่ากับฝึกใจเมื่อใจดีแล้ว การทำอะไรด้วยกายการพูดอะไรด้วยวาจามันก็ดีไป <c oughs> มันก็เหมือนอย่างโซเฟอร์ที่ขับรถยนต์เรือยนต์หรือว่าเครื่องบินโมนี้นะถ้าโซเฟอร์นั้นได้ฝึกวิธีกรรมวิธีสำหรับ ขับรถยนต์หรือเรือยนต์เป็นต้นเหล่านั้นเป็นอย่างดีแล้วเรียกว่าฝึกมาแล้วเป็นอย่างดีชำนิชำนานแล้วไปขับรถเข้าไปมันก็ไม่ค่อยจะพลาดครั้งก็จะนำรถไปสู่ที่หมายปลายทางได้อันนี้ชั้นใดก็อย่างนั้นไง สมมุติ ร, ร่างกายอันนี้เป็นเสมือนอย่างกับรถยนตนะ์นั่นแหละพระพุทธเจ้าก็ทรงตรัสไว้ว่าสรีดายน น, ะนั้นดวงจิตนีน่สมมุติเราเหมือนกับโซเฟอร์ผู้ขับรถนั่นแหละ ทีนี้เพราะฉะนั้นการที่อาการกายวาจามันจะดีจะงามได้มันก็จะขึ้นอยู่กับตรวงจิตนี้โดยเฉพาะเหมือนกับรถยนต์นั่นแหละมันจะพาคนไปสู่สถานที่ที่ต้องไปนั่นโดยสวัสดีได้ก็เพราะอาศัยโซเฟอร์ผู้เดียวแท้ คนอื่นก็ช่วยไม่ได้เลยถ้าโซเฟอร์ประมาทแล้วเช่นนี้เช่นอย่างว่าไปดื่มเหล้าเมาแล้วก็ไปขับรถขับเรืออย่างนี้นะมันก็เสียสติไปแล้วคนเมาเหล้า ม, มันก็นำรถไปสู่จุดปลายปลายทางไม่ไม่ค่อยได้เลย มาเกไปชนต้นไม้ชนอะไรต่ออะไรที่ขวางทางเพราะบังคับรถไม่อยู่ขับรถให้ตรงตามทางไม่ได้เมื่อเป็นเช่นนี้ก็ยอมเกิดอุบัติเหตุนั่นเนี่ยอันนี้ฉันใดก็เป็นอย่างนั้ น, นคนเราเมื่อ ขาดการสํารวมขาดการฝึกจิตใจหรือฝึกกายฝึกกว่าจานี่แล้วก็มักจะทำผิดพูดผิดจากสินจากทำไปจะไม่ตรงตามสินตามธรรม ความประพฤติ ท, ทางกายทางวาจาเพราะว่าใจมันไม่ตรงนะไม่ฝึกใจให้ตรงต่อสินต่อธรรมเหตุนั้นอาการกายวาจามันจึงไม่ตรงนะก่อความเสียหายให้แก่ทั้งตนเองและผู้อื่นเัืองนั้นเนะี่ยให้พึ่งพากัน เห็นความสำคัญในการฝึกฝนจิตนี้เห็นว่าให้ถือว่าเป็นเรื่องจำเป็นถ้าหากว่าตนต้องการความสุขโดยแท้จริงแล้วก็ต้องถือว่าการฝึกฝนจิตใจนี้เป็นสิ่งจำเป็นเกียดคล้านไม่ได้ ถ้าหากว่าตนเกลียคลานแล้วมันก็จะไม่พบกับความสุขอันเป็นแก่นสารดังว่านะั้นก็จะได้พบแต่ความสุขชั่วคราวความสุขอันไม่ถาวรนนะเมื่อเป็นเช่นนี้ก็จะต้องมีทุกข์นั่นแหละวันนี้เป็นที่ไปเพราะความสุข สุขประเดียวประดาาหนึ่งแล้วมันก็หายอย่างนี้นะแล้วมันจะเอาความสุขยังยืนมาจากไหนมันก็มีแต่ความทุกข์เป็นเจ้าเรือนนั่งนั้นจึงไม่ควรยินดีพอใจอยู่แต่ในความสุขชั่วคราวนั่นโดยส่วนเดียว สุขชั่วคราวคือสุขอะไรสุขในการกินสุขในการนอนสุขในการดูมหรสพครยเงินต่างๆสุขในการบริโภคกรามคุณมูนีมันล้วนแต่เป็นความสุขชั่วคราวทั้งนั้นเลยเพราะว่ามันยิงอาศัยวัตถุภายนอก เมื่อวัตถุสิ่งของเหล่านั้นมันชำรุดทรุดโทรมไปหรือมันหมดไปสิ้นไปความสุขดังกล่าวนั้นมันก็หมดไปตามกันอย่างอย่างเช่นความสุขในการกินถ้าเกิดอาหารการบริโภคไม่เพียงพออ่าอ่าเช่นอย่างว่า ฝนฟ้าไม่ตกตองตามฤดูการคนไม่ได้ทำนาทำสวนอย่างเงี้ยเอาแล้วอดอาหารการกินเขาไปแล้วไม่ได้กินสนุกสนานเหมือนแต่ก่อนแล้วก็เป็นทุกข์กันเลยวนันนี้เป็นงีน้ถ้าเจ็บไข้ได้ป่วยวางโรควางอย่างครับไม่นอนไม่หลับก็เป็นทุกข์แล้ว อ่อนเพลียละเหียใจนอนไม่หลับเมื่อนอนไม่หลับมันก็รับประทานอาหารไม่ได้นี่พันธนาถึงความสุขชั่วคราวเนี่ยเยอะเยะเลยทีเดียวอะไรก็มีความในโลกสานิวัตอันนี้มันก็มีแต่วความสุขชั่วคราวนั่นแหละใครี่เป็นเศรษฐีมหาเศรษฐี มีเงินร้อยล้านพันล้านก็าตามนมแต่มันก็ได้รับความสุขทัวคราวในเมื่อร่างกายนี่มันวิบัตรลงไปแล้วสมบัติ้มันจะมีมากมายเท่าไรมันก็ช่วยไม่ได้อาหารจะอร่อยเท่าไรก็กินไม่ได้นอนก็นอนไม่หลับอย่างนี้นะเจ็บปวดตาม ร่างกายสังขารอันนี้นอนอยู่ในที่นอนนั้นอ่อนนุ่มนิ่มปานในมันก็ไม่พ้นจากความเจ็บปวดมเมื่อเป็นเช่นนี้นะก็สมควรที่จะเห็นโทษแ่งความสุขทั่วคราวได้แล้วไม่ใช่เลยสำหรับผู้มีวิจารณญาณดูแล้วจะเห็นได้จึงไม่ควรติดอยู่ในความสุข ชั่วคราวเหล่านี้ควรฝึกตนฝึกกายฝึกปวาจ j าฝึกใจนี่ให้ดีสำหรับผู้ครองเรือนอย่างนี้นะมันก็ควรจะงดเว้นจากกรรมชั่วต่างๆได้เพราะว่าร่างกายอันนี้มันไม่เที่ยงไม่ยังยืนนะ ไม่ทราบว่าจะใช้ไม่ทำความชั่วทำไมควรจะเสวงหาเรียยงชีพแต่ในทางสุจริตไม่เบียดเบียนบุคคลอื่นและสัตว์อื่นให้เป็นทุกข์เบืออร้อนเพราะอาชีพออไหนไหนมันก็จะแก่เจ็บตายอยู่แล้วร่างกายอันนี้เราจะหาอาหารการบริโภคป น, นิตบรรจงมาหล่อเลี้ยงมัน เท่าไรมันก็ไม่คงทนอยู่ได้รอกความจริง ม, มันก็ถึงเวลามันชำรุดทุดโทมมันก็ชำรุดไปตามการตามเวลาของมันนั่นเองถึงเวลามันแตกดับใครก็ห้ามไม่ได้เลยผู้จะมั่งมีสีสุขอย่างไรมันก็ช่วยไม่ได้หอมร่ารวยนั้นจะไปช่วยป้องกันชีวิตไปให้ตายเนี่ไม่ได้เลย ควรพากันลำพึงพิจารณาดูให้เห็นความเป็นมาของชีวิตนี่มันไม่เที่ยงไม่ยั่งยืนเอาซะจริงจิงดวงจิตที่มาอาศัยอยู่ในร่างกายอันไม่เที่ยงนี่มันก็จึงได้เป็นทุกข์จึงได้ดิ่นลนดือดร้อนกันไปางต่างนานมาหาความสงบหาความเย็นใจไม่ได้ นี่แหละความสุขชั่วคราวในโลกอันนี้นะมันแทรกอยู่ด้วยทุกพอสุขหายทุกก็เกิดขึ้นมาแทนอยู่เช่นนี้แหละแล้วพอทุกหายสุขก็เกิดขึ้นมาแทนสลับกันไปสลับกันมาอยู่อย่างนี้แต่ผลสุดท้ายก็มีแต่ทุกนันแหละ เมื่อเวลาเจ็บหนักลงจนจะตายนั่นสิเราจะเรียกร้องหาความสุขแม้น้อยหนึ่งก็ไม่มีมีแต่ความทุกข์ปรากฏอยู่ในกายในใจเพราะว่าร่างกายนี้มันสุดโทมไปเต็มที่แล้วดังนั้นความรู้สึกของจิตนี่มันก็เป็นความรู้สึกที่เรียกว่า ไม่โสภาอะไรเลยนะแถมบุคคลที่ไม่ได้ภาวนาไม่ไม่รู้แจ้งในร่างกายอันนี้ตามเป็นจริงเนะ่ยก็ยิ่งเสียใจต้องเศร้าโศกยิ่งสะดุ้งหวาดกลัวต่อความตายจิตใจไม่เป็นสุขไม่สงบไม่ตั้งมั่นอยู่ในบุญในคุณได้เลยเมือ่อความกลัว หรือว่าความทุกข์มันบังเกิดขึ้นแล้วกำลังใจไม่มีเพราะว่าบุญน้อยบุญไม่มากเลยจิตใจก็ไม่เข้มแข็งสติปัญญาก็ไม่มีอย่างนี้นะมันก็หอบเอาแต่ทุกข์แล้วนะ่ะติดตัวไปเมื่อเวลารมหายตายจากโลกนี้ไปก็ดี ไม่ได้เอาความถูกอะไรติดตัวไปแล้วนั่นเนี่ยคนเราต้องพิจารณาให้ดีเหตุที่จะมีศาสนามีคำสั่งสอนของลักปราชญาผู้ประเสริฐในโลกก็เพราะคนไม่รู้แจ้งในสังขาร น, นามรูปอันนี้ตามเป็นจริงได้ไม่สามารถจะมีสติมีปัญญา สอนใจให้กลงให้วางขันห้านี่ลงได้มีแต่ยึดถืออย่างนั้นไปเรื่อยๆถ้าไม่มีพระพุทธเจ้ามาชี้หนทางออกจากทุกข์ให้คนเหล่านี้ก็จะจมอยู่ในห่วงแห่งกองทุกข์นั่นเองหาความสุขสบายไม่ค่อใดเพราะเราเห็นกันอยู่นี่เกิดมาแล้ว ก็มาบริโภคกรรมคุณนะยินดีในรูปในเสียงในกลิ่นในรสในเครื่องสัมผัสความยินดีในกรรมคุณนะเป็นเหตุให้คนเราได้ฆ่าสัตว์ได้ลักทรัพย์ได้ประพฤติผิดในการมได้กล่าวมูสาว่าได้ดื่มสุราเมรัยกัญชายาปิ่นเฮโรอีน โมนี่มันก็มาจากกรรมคุณนั่นแหละเป็นมูลเหตุเมื่อบุคคลบริโภคกรรมมคุณอย่างนี้เมื่อมันไม่มีปัจจัยเครื่องอาศัยบำรุงร่างกายอันนี้การบริโภคกรรมคุณก็ไม่ออกรสออกชาติอะไรอจืดเชืดไปอย่างนี้แหละ สมมติว่าเา่แต่งงมแต่งงานเข้าไปแล้วอย่างนี้นะเมื่อไม่มีเงินทองใช้จ่ายมันก็หาความสุขอะไรไม่ได้ยิ่งสร้างเนื้อสร้างตัวขึ้นมาอามีลูกมีเต้าเข้าไปหลายผู้หลายคนเงินทองไม่มีอหลักทรัพย์ไม่มีอย่างนี้ มันก็มีแต่ทุกข์นั่นเอวันนี้หาความสบายไม่ได้เลยอันนั่นก็ขาดตกบกพร่องอันนี้ก็ไม่มีอย่างนี้มันก็มีแต่นั่งจุกนั่งทรงวิตจกวิจาร์ไปเท่าไหร่ก็ยิ่งเป็นทุกข์ใจไปเท่านั้นลองพิจารณาทบทวนดู่นและชีวิตของคนเรา เอที่จะได้ติดอยู่ในทุกข์ก็เพราะเหตุว่าไปหลงไหลมัวเมาอยู่แต่ในการมะคุณแล้วไม่ขยันหมั่นเพียรทําการทํางานให้ได้ผลเต็มเม็ดเต็มหน่วย ท, ท, ทํากระทาไปเรล็กๆน้อยๆไปอย่างนั้นแหละเอาเวลาไปเพลิดเพลิ น, นอยู่ในกามคุณนูน่น มากต่อมากอย่างนี้นะมันจึงได้ประสบกับความทุกข์ในภายหลังคนเรานะเป็นอย่างนั้นนี่พูดอย่างถึงความเป็นอยู่ในชีวิตของมนุษย์เราที่ผู้ไม่รู้แจ้งในคำสอนของพระพุทธเจ้านะย่อมประสบแต่ความทุกข์ย่อมไปทำบาปเนีนะ่มันเรื่องไปทำบาปเนี่ยสาคัญมาก ไอ้ทุกอย่างอื่นแท้ก็ยังพอยังชั่วหน่อยไอ้ทุกเกิดจากการทำบาปนี่มันทุกนานเอาเทีจริงๆที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงไว้นะนั่นเนี่ยการที่คนเราจะเป็นผู้เว้นจากท่าสตว์เป็นต้นได้เพราะได้มาฟังคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้า ได้มารู้จักบาปบุญคุณโทษประโยชน์และ ไ, ไม่ใช่ประโยชน์นี่มันถึงได้ละเว้นจากกรรมอันทั่วห้าอย่างนั้นได้ถ้าไม่รู้แจ้งขึ้นด้วยใจของตอ น, นเองก่อนแล้วมันละไม่ได้เลยเพราะมันเคยทำสืบทอดกันมาตั้งแต่ไหนแต่ไรมาตั้งแต่ปู่ตายายทวดนูนแหละ มันทำกันมาอยู่อย่างนั้นเป็นอย่างว่าดื่มเหล้าเมาสุราอย่างนี้นะอันผูกเป็นพ่อเป็นแม่ไปดื่มเหล้าให้ลูกเห็นเข้าไปอย่างนี้เอาลูกใหญ่มาก็เรียนแบบพ่อแม่เข้าไปแล้วไอ้พ่อแม่เป็นชาประมงหาเนื้อหาปลาเลี้ยงลกูก เข้าไปไอ้ลูกก็เรียนแบบอย่างพ่อแม่นั่นแหละอย่างนี้นะเอาพ่อแม่ชอบเป็นโจรเป็นขโมยชอบไปลักของผู้อื่นมาเลี้ยงลูกเลี้ยงเต้าอย่างนี้ไอ้ลูกก็เอาอย่างเลยบ้างนี่ไปอย่างนั้นมันก็เคยเห็นมาทุกคนก็สังเกตดูก็ได้เป็นอย่างนี้เลย ไอพ่อแม่ชอบประพฤติผิดมิจฉาจารกรรมเป็นคนเจ้าชู้มากๆในการมตกลูกตกล้านมาก็เรียนแบบกันไปเรียนเสียแต่คนผู้มีบุญมากพอสมควรนั่นก็จะไม่เอาอย่างพ่อแม่ที่ประพฤติไปดีไม่งามนั่น จะรู้สึกตัวได้คนมีบุญมากเลยเป็นอย่างนั้นอันมูนี้แหละมันถ่ายทอดกันเว้นเสียแต่ผู้ใดได้ฟังคำสอนของพระพุทธเจ้าแล้วมารู้สึกสำนึกตัวได้นั่นแหละถึงไม่เอาอย่างกันวันนี้จึงได้เว้นจากกรรมชั่ว ที่เป็นกรรมพันธุ์สืบต่อมาตั้งแต่บรรพบุรุษนุ่นคนเช่นนั้นพระก็ทธเจ้าทรงตรัสว่าอภิชาตาบุตรบุตรยิ่งกว่าพ่อกว่าแม่เป็นอย่างนั้นเพราะฉะนั้นในเพึ่งพากันสังเกตดูให้ดีนี่แหละการฝึกขนอบรมกายวาจาใจนี่นะ มันจึงชื่อว่าเป็นหนทางออกจากทุกข์ได้ถ้าผู้ใดไม่สนใจไม่พอใจที่จะฝึกกายว่าจใจอันนี้ให้ตรงตามคำสอนของพระพุทธเจ้าแล้วผู้นั้นจะพ้นทุกข์ไปไม่ได้เลยจมอยู่ในทุกข์นั่ น, นแหละเป็นอย่างนั้นโดยเฉพาะ การฝึกใจรู้จักข่มใจของตนให้ตั้งมั่นอยู่ในบุญในกุศลนี่รีกว่าเราพยายามฝึกใจนี้ให้มันนึกไปในทางบุญทางกุศลให้มากๆอันนี้นับว่าสำคัญนะถ้าหากว่าบุคคลไม่ควบคุมจิตให้นึกนะ้อมให้พอใจ ไปในทางบุญทางกุศลแล้วอย่างนี้แน่นอนนะใจนี่นมันก็จะชอบใจไปในทางบาปอากุศลนั่นเพราะว่ามันเคยชอบมาแล้วนี่ตั้งแต่หลายชาติหลายภพมาแต่อย่างนั้นดังนั้นทุกคนต้องรู้จักควบคุมจิตของตนให้พยายามนึกคิดไปในทาง ที่ทำอย่างไรเราถึงจะพ้นจากทุกข์ทำอย่างไรเราจะพ้นจากบาปจากโทษต่างๆในโลกนี้เนี่ยต้องมันนึกคิดอย่างนี้ทีเดียวแต่บางคนมันไม่เชื่อว่ามีบาปอย่างว่ามาแล้วนั่นนะอันพูดที่ไม่เชื่อว่าบาปไม่มีก็แล้วไปไม่มีใครเขาว่าอะไรดอกจะทำบาปก็ทำไป อันนี้สอนสําหรับผู้ที่เชื่อว่าบาปมีบุญมีนรกมีสวรรค์มีตามที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงไว้เนี่ยแนะนำสั่งสอนผู้ที่มีความเห็นอย่างนี้แหละดังนั้นผู้ใดเชื่อมั่นว่าพระพุทธเจ้าทรงแสดงอย่างไรไว้แล้วมันย่อมเป็นความจริงอย่างนั้นถ้าเชื่อมั่นในใจอย่างนี้ ก็ต้องเพียรละบาปแหละคนเราออเป็นอย่างนั้นเรื่องมันนะถ้าได้รุมหลงทำบาปอย่างได้เรื่งมาแต่ก่อนก็ต้องเพียรละมันไม่แช่ น, นั้นก็ไม่พ้นจากทุกข์ไปได้แน่นอนเลยเป็นอยา น, นเพียรละบาปก็เพียรสอนใจตัวเองนี่แหละเพียร น, นึกถึงสังขารนามโลกเป็นของไม่เที่ยงไม่ยั่งยืนนี่ แล้วจะไปทำบาปไปทำไมของไม่เที่ยงอันเนี้ยใช้กายวาจาทำความชั่วลงไปแล้วแต่ใจเป็นผู้รับผลแห่งความชั่วนั้นกายวาจามันไม่ได้รับผลด้วยมันมีแต่แตกทำลายลงอยู่พื้นแผ่นดินนี่ทั้งทุกกลูกทุกน้าเลยเนี่การทำบุญกุศลก็เหมือนกันนะ ทำบุญด้วยกายด้วยวาจาแต่ว่าใจเป็นผู้รับผลแห่งบุญกุศลนั้นคือใจเป็นผู้ไดส้สวยความสุขจากบุญกุศลนั้นตลอดถึงปฏิบัติคุณธรรมขั้นสูงขึ้นไปการเจริญธรรมะอิปัสนาเพียงพยายามละอุปาทานความยึดมั่นถือมั่น ในธาตุสี่ขันหานี่ว่าไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนไม่ใช่เราไม่ใช่เขาไม่ไม่ใช่เป็นสิ่งที่ควรจะมายึดถือเอาว่าเป็นของเราเพราะเป็นของไม่เที่ยงไม่อยู่ในบังคับบัญชาของผู้ใดก็ใช้ปัญญาถอนจิตใจเข้าไปอย่างนี้เมื่อจิตใจมันเห็นแจ้งแล้วมันฟงมันวางขันหานี่ ได้ใจดวงเดียวนี้แหละเป็นสุขเป็นสุขอันยอดเยี่ยมก็ดีก็มีใจดวงเดียวนี้ไม่มีอย่างอื่นพิจารณาให้มันเห็นด้วยตนเองผู้ดใดพี่รณาเห็นอย่างนี้แล้วก็จะตั้งอยู่ในอภิมาทธรรมคือความไม่ประ ม, มาทพยายามฝึกจิตใจนี้ให้เกิดความรู้ความฉลาด ในธรรมของจริงที่พระพุทธเจ้าทรงสแสดงไว้ดังกล่าวมาซึ่งพากันตั้งใจให้ดีตั้งสติสำรวมใจให้แน่วแน่ยอยู่ภายในอย่าส่งใจออกไปข้างนอกเวลานี้เรามาประชุม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 จิตข้าพเจ้าตั้งมั่นเป็นสมาธิขอ้มีปัญญารู้แจ้งในธรรมของจริงที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงไว้ดีแล้วนั่นเมื่ออธิฐานใจเสร็จแล้วก็เพิ่งตั้งสติกำหนดลมหายใจเข้าออก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 มันจะสงบอยู่ภายในการที่คิดไม่สงบมันคิดส่งไปโน่นไปนี่ก็เพราะไม่น้อมสติเข้าไปสกัดความคิดความนึกทางลมหายใจเข้าออกนี่เองแหละ <c oughs> ดังนั้นให้พึ่งพากันเข้าใจ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 ก็ให้กำหนดรู้เรื่องของตัวเองถ้ารู้เรื่องของตัวเองได้แล้วมันก็ต้องไม่ต้องหวันไหวให้ถือว่าเป็นเรื่องธรรมดาเมื่อตนมีโรคภัคยไข้เจ็บเบียดเบียนอย่างนี้นะมันก็ย่อมเสวยทุกขเวทนาไปอันนั้นก็ให้ถือว่าเป็นธรรมดาเพราะ